พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่19มิถุนายน2555มีชื่อเรื่องว่าไว้วางใจคือความชล่าใจ แต่ก็เป็นที่พอใจที่ทอดผ้าป่าหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเมื่อวันที่17เช้า ว, วันที่17ก็พระสงฆ์และคณะสัทธ า, าติโยมให้ความสนใจพอสมควรได้ปัจจัยคงจะหกล้านกว่านะเพราะว่าเขาแจ้งมาว่าได้หกล้าน ห้ล้านเแสนกว่าบาทแต่เงินยังไหลทะลักมาอยู่หลวพ่อผู้ที่โอนเข้ามาก็มีพอได้ยินทราบข่าวแล้วก็วัดต่างๆเอามาสมทบที่มาไม่ทันก็มีตามปกติเราจะทอดผ้าป่าบ่ายโมงแต่เมื่อวันที่สิเจ็ตรงพ่อว่นฉันยังหันเสร็จแล้วก็ทอดกันเลยละ่ะต่วัดต่างๆท่านมันก็มาไม่ทันทยอยมาเรื่อยแต่คงจะหกล้านกว่า แต่ก็ใช้เงินใช้สตุปัจจัยดูแลพระสงฆ์ทั้งปีปีหนะ้าสิบสี่กับห้าสิบห้าเนี่ยมาถึงนะวันที่สนะิบเจ็ดนี่ยใช้เงินทั้งหมดสองล้านหกแสนหนึ่งหมืนบาทนะที่เขารายงานหลวงพ่อวันเมื่อวันนั้นก็ใช้มากพอสมควรอยู่แล้วจะใช้อะไรเนะี่ยจะใช้คือเขาบอกว่ายามะเหลงนี่แพงมากแล้วก็มีพระองค์หนึ่ง ที่เป็นมะเร็งแล้วก็มาเพื่อรักษายาเพียงครั้งเดียวเป็นแสนนะครับก็ผมก็เลยได้พิจ า, า, ารณากันว่าจะเอาอยัางไงพอจะให้ทาว่ารักษาองค์ละแสนสองแสนเนี่ยกับปัจจัยก็คงจะไม่เพียงพอคนะณะกรรมการดูแลเงินนะก็เลยให้ไปบางส่วนอันนี้แหละคือยามะเร็ง โดยมากมันแพงแล้วก็ปวกล่างไตก็เป็นการจ่ายเงินแบบต่อเนื่องแล้วก็มีอีกหลายตัวยายายหลายตัวที่จะต้องได้เพิ่มเงินให้กับโรงพยาบาลส่วนกลางแล้วก็พระที่ผ่าตัดหัวใจเกี่ยวกับหัวใจอีกแล้วเราก็ต้องไปคุมไปดูแลนอกพื้นที่อีกคือในพื้นที่ก็คือหออพิบาลสงหลวงปู่มั่น แต่ตอนนี้พระที่เป็นโรคหัวใจก็ต้องไปนอนที่ตึกหัวใจไปไหนมู่นิธิตัวนี้ก็คงจะคุ้มครองไปถึงพระที่ไปนอนตึกเศรษฐกิจตึกหัวใจอีกเนี่ยที่เขาประกาศในวันนั้นหวงพววอืมจะทํำยังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอใหญ่ข้อสําคัญก่อให้ไปตามทํานองคลองทำอย่าให้มันรั่วมันไหล ทำมันร่วมันหลเอออันนั้นไม่ดีจ้าใช้ให้เกิดประโยชน์แต่หลวงพ่อก็เชื่อเชื่อในฝีมือของผู้ดูแลปัจจัยเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาหลวงตามหาบัวอแล้วกนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศด้วยที่ดูแลเจตุปัจจัยชุดก่อนนี้ชุดนี้ี่ที่หลวงพ่อได้แต่งตั้งไว้หลวงพ่อก็ มั่นใจได้เชื่อใจในท่านเหล่าท่านเพราะฐานะการเป็นอยู่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเป็นรองาศาสตราจารย์แพทย์เป็นาศาสตราจารย์หมอในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลวงพ่อก็บอกอให้ดูแลแทนหลวงพ่อนะแต่หลวงพ่อนในนามเจ้าของบัญชีนะหลวงพ่อเซ็นอไว้ให้ที่บัญชีออมทรัพย์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 อยู่ในสถานที่ในสถานะไหนเพราะไว้ใจภัยจึงตามมาในพระบาลีของพระพุทธทเจ้าท่านตรัสไว้เพราะความไว้ใจภัยจึงตามมามาพิจารณาดูแล้วออืแต่หลวงพ่อจําบาลีไม่ได้นะเพราะความไว้ใจเมื่อความไว้ใจความไว้ใจคือความชราใจคือมอบความไว้วางใจจากนั้นผลที่เรา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 เมื่อป no ัญหาตามมาก่อนถูกฟ้องถูกฟ้องถูกเกาติชินเดินทาเการ้ายเพราะความไว้ใจสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเป็นหัวหน้าทุกแผนงานอย่าไปไว้ใจจนเกินไปแล้วจะไม่ไว้ใจก็ไม่ได้ทาไมไว้ใจก็ไม่ไว้ใจแสดงว่าเขาผู้อยู่ใกล้ก็ไม่รู้จะทำยังไง เพราะว่าระแวงแคลงใจกันอยู่งานก็ไม่เดินอีกเหมือนกันแต่ถ้าเราไว้ใจจนเกินไปก็ทําให้เรามัวหมองมากกว่า น, นั้นก็เสียหายได้อีกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านให้ปลอบรอบคอบแต่รอบครอบเท่าที่จะรอบคอบได้บางทีมันกเกินวิสัยเราก็มีอีกเหมือนกันเกินวิสัยแล้วก็ทิ้งให้กรรม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 ชั่วเมื่อทําไปแล้วจะให้ผลตามเมื่อภายหลังนี่แหละซึ่งเหล่านี้ไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนเรื่องกิเลสโลภโกรหลงราคะโทสะโมหะมันอยู่ในจิตใจพร้อมที่จะปัทุขึ้นมาได้ทุกเวลำเวลาเว้นเสียแต่พระอราหันต์กำราบปดแล้วใจพระอราหันต์คือใจบริสุทธิ์ใจไม่มีกิเลส โรคโกรธหลงไม่มีในใจฉันทากติโทสักติโมหากติพยาคติอักติสี่ไม่มีในพระหรันถ้านอกจากนั้นมาถึงจะเป็นผู้ถือกฎหมายก็เถอะจำว่าผีผากษาอายการยุติธรรมขนาดไหนเถอะแต่ถ้าว่ากิเลสเาอยู่ยังอยู่ในใจแล้วความอายุติธรรมเนี่ยมันต้องมีอยู่ในใจ มันต้องมีอยู่ในนั้นพอยุติธรรมคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมอายุติธรรมเลยคือมีอานำหนาเนี่ยเาความไม่ยุติธรรมก็มีอยู่ในนั้นเพราะเหตุไรเพราะกิเลสโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะอยู่ในใจของผู้ถือกฎหมายนั้นนั้นนบอายุติธรรมนี่แหละเมื่อมีอาณำหน้าแล้วก็ ฉันทางกติโทสักติโมหกติพยาคติก็มีเกิดขึ้นตามมาอีกอันนี้ก็คืออย่างพระหรันท่านไม่ทําผิดเลยเหรอในชุมชนสังคมแต่หลวงพ่อวันในใจของท่านเนี่ยไม่ผิดเลยร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเอาข้อมูลเข้าไปยื่นข้อมูลเข้าไปท่านอาจจะไม่ได้มองไม่ได้รู้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 อันนี้ก็เนี่ยพระรหันน์เนี่ยเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ไม่มีอะไรที่จะตรงยิ่งกว่าพระไทยด้วยใจของพระอรหันต์แต่ว่าปุถุชนให้ข้อมูลเข้าไป<ม>บางทีท่านก็ไม่ได้ตรวจสอบแลท่านก็พูดออกมาตามที่ได้รับข้อมูลมาเพราะว่าอย่างพระรหันมีอยู่หลายหลายประเภทหลายจำพวกอย่างพระรหันสุ ข, ขวิปัสสโก ท่านรู้แต่ว่าใจของท่านได้สําเร็จเป็นพระหานท่านไม่รู้เรื่องอดีตอนาคตรู้ว่าใจของท่านบริสุทธิ์หมดจดจากทิเลศชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่เกิดอีกแล้วอันนี้คือพระหานสุขะวิปัสโกแต่ว่าเดินวิปัสนาและเดินปัญญาล้วนขนาอันนี้เตวิโชสลภินโยปฏิสัมพิทัปตโตพระหานอีกสามจำพวกนั้น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 ถ้าทาั้งกลางอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คงจะเห็นใจคนนั้นคิดอย่างนี้ใจคนนั้นคิดอย่างนี้ท่านคงจะเบื่อเวียนปวดเสียนเวียนก้าวเหมือนกันนะเพ้อเพอจะอาเกียนอยู่ตลอดก็ได้เพราะเหตุกิเลสของคนอยู่ในใจคนหนึ่งโลภคนหนึงโกรธคนหนึงหลงคนหนึ่งลาคะคนหนึ่งโทสะคนหนึ่งโมหะใจของผู้ดุชนมันใจก็เพิ่มอยู่ตลอดเวลาและท่านคงจะไม่ถ้าเป็นเสือและเป็นแมวท่านก็งคงจะหกเล็บไวก่อนอยู่ในอุ้งมือของท่าน แต่พอเห็นอะไรเกิดขึ้น่ะท่านคงจะกลางเล็บดูฮะหรือว่ากลางโจเรดาดูเออมันเป็นอะไรเรื่องมีว่ะท่านคงจะใช้ยาณนทัศนะของท่านแต่้าว่าปกติแล้วท่านก็คงจะเก็บเงียบคงจะรู้ในพระทัยใจของท่านว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องของเด็กทั้งหลายทั้งปวงเรื่องกิเลสทั้งหลายทั้งปวงท่านก็คงจะไม่มองเลแต่ถ้ามันจะกระเทือนจริงมันจะเข้ามา สู่วงการแล้เข้ามาหาตัวท่านท่านโค้งงจัดกลางเลดา้าขึ้นมาดูเรื่องราวมันเป็นยังไงลักษณะอย่างไงหลวงพ่อคิดว่านะอันนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกนะไม่มีในพระไตรปิฎกที่พูดเอาไว้แต่หลวงพ่อคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างพระอรหันต์อย่างในพระไตรปิฎกบางทีท่านยังถูกลูกสิทธิ์หลอกได้อย่างพระมาหากัะสปะท่านอยู่ในป่าตามลําพัง กับพระอยู่สามองค์ด้วยกันอยู่กับท่านแต่มีพระองค์หนึ่งประจบสอปลอเวลาทําอะไรก็บอกว่าตัวเองทําทั้งหมดแต่องค์ที่ทำน่นเป็นคนไม่พูดแต่องค์ที่เข้ามาใกล้เป็นพระที่ชอบพูดเอาใจเอาใจเจ้านายเอาใจพระอาจารย์เอาใจหลวงปู่เวลาองค์หนึ่งพอถึงเวลาบ่ายองค์หนึ่งก็ไปต้มน้ํา ไปต้มน้ําน้ําสงแต่ทุกอย่างมันเอาเปรียบมาตลอดแล้วละ่ะแต่เรื่องนี้ก็ยังเอาเปรียบอีกองค์นี้ไปต้มน้ําพอไปต้มน้ําองค์นี้ก็ตื่นขึ้นมาไปพักพ่อนตื่นเร็วมามองเห็นน้ําในหมอกมีควันฉลุยขึ้นมาแล้วก็นนี่แหละเข้าไปกราบพระมหาเทระพระมหากัจจป่าขอกราบท่านจำเปทุกวันนี้ก่อนขอกราบครับหลวงปู่ครับผมต้มน้ําเดือดแล้วครับ ทีนี้ก็องค์ปูกเออได้เวลาส่งน้ํำเออไปไปส่งน้ํามาส่งน้ําเสร็จแล้วก็วันล่งขึ้นกคยทำอย่างเก่าแต่องค์ที่ทํางานหนึ่ง<อ>ทำยังไงว่จะแก้เผ็ดองค์นีิวาออผลที่สุนก็เลยไปบอกพอไปต้มน้ําเสร็จแล้วก็เ อ, อไปตักน้ำบ อ, อกให้หมดป่เนเอาเทน้ำบ อ, อกให้หมดยังเหลือ น, น้ําอยู่นหน่อยน้อยหนึงก็ะถอยไฟเอาไว้ พอได้องนั่นเห็นฟันสรุยขึ้นมาอีกองนี้ก็ไปบอกอีกลงปูครับเนี่ยผมต้มน้ําเสร็จแล้วครับใน ม, มนลทงปูพิษส่งน้ําครับส่งน้าอุ่นส่งน้าร้อนเพราะอายุมากเลยอินเดียนะทีนี้ก็พอไปแต่นเนี่องคนั้นไม่ได้สนนะองคนี้ไปแต่นเนี่ยเป็นเจ้ากี่เจ้ากาไปกับล้วงกระบวยลงไปไปสูดถังน้ําำมันไม่มีน้ํำเลยบังโกกรากไปแตนี่ย ที่นี่ก็บ่นพุมพุมพำพำ ม, มเาเลยเแ๊ะมันทาอย่างนี้ทําได้แล้วเนี่จอา ง, งุ่นอย่างงี้แต่องง์ที่ต้มน้ําเขาเอากะปองน้ําไปซ่อนไว้ทั้งหลังที่อาบน้ํำหลังที่กําบังไว้อย่างนั้นเขาก็หิวน้ํานะขึ้มาถวายท่านเอ๊พระมหาเทระก็เห็นมาอย่างนั้นท่านก็บอกท่านถ้ท่านไม่ได้ทําจะไปบอกว่าท่านทําสิเพราะว่าการ พูดเอาหน้าเข้าตัวเองเนี่ยมันไม่ดีนะมันไม่ถูกต้องอย่างผู้ใดทําก็ต้องผู้นั้นทำทางเาบอกผู้ใดไม่ทําก็ไปเอาผลงานของคนอื่นเขาเนี่ยมันไม่ถูกตามหลักธรรมนะคล้ายๆกัว่ามันหลบเลี่ยงตบลีบไปในลักษณะโกโหกเสียมากกว่าท่านอย่าทำอย่างนี้ต่อไปมีอะไรองค์ไหนทํานนรรก็ต้ององค์นั้นถึงพระมหากัจจปะท่านก็เป็นธรรม เป็นพระมหาเทระท่านก็สอนไงแต่พระองค์นี้โหยโกรธให้พระองค์นั้นยังมาแล้วยังโกรธให้พระมหาเทระอีกว่าพระมหาเทระนี่เข้าข้างองค์นั้นทเลยมาดุเราอีกต่างหากองผลที่สุดพระเถระไปบินทาบัดพระองค์นี้ก็ โ, โมโหไฟเผาสาลาเลยไม่ใช่ธรรมดาเนยพระในครั้งพุทธการลนะพวกเราทั้งหลายฟังด้วยซิ ถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเลยกิเลสในยุคนั้นกับกิเลสในยุคนี้มันเหมือนกันนะแล้วกันเลยไม่ได้แพ้กันเลยในความโมโหเออเผาไฟท่านก็เปิดแหนบแล้วหนี้แต่องค์พ harma กัจจป่าในท่านก็อยู่อยู่ตามลาพังองค์นั้นกร น, นี้องค์ที่ปฏิบัติท่านก็อยู่ต่อองค์ที่เผาแล้วก็หนะีแต่นี้ต่อมาก็มีพระ อีกกลุ่หนึ่งเข้าไปกราบก่อนที่จะไปกราบพระพุทธเจ้าก็ไปเยี่ยมเยียนพระเถระก่อนพระมหากัจจปะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ก็เลยไปเยี่ยมเยียนเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ถามว่าเอออยู่แถบนั้นเป็นไงได้ยินขา่าวปัสจปะไหมลูกของเรานะพวกเธอได้เห็นไหมเห็นอยู่พระเจ้าค่ะพวกกผมก่อนที่จะมากราบพระพุทธองค์ในก่อนได้แวะไปกราบท่านพระมหากัาสจปะอยู่จ่ะว่าเออท่านผาสุกดีอยู่เหรอ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 พระสงฆ์กเหล่านั้นก็เลยกราบทูลถามผู้ปฏิเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าพวกท่านทั้งหลายจะฟังเลยเอาตั้งใจฟังครัในอดีตชาติมีนกขมิ้นคือนกตัวสีเหลืองมันทํารังอยู่ในต้นไม้ใหญ่และมีลิงก็โหนไม้มามาเห็นนกขมิ้นนกขมิ้นก็อยู่ในรังก็โผล่หัวออกไปบอกว่าลิงทําไมท่านก็ ดูหน้าตาของท่านาก็เหมือนมนุษย์มนุษย์เขายังทําบ้านทําเรือนอยู่ได้ท่านมีแตหางเท่านั้นแหละต่างจากมนุษย์แต่อย่างอื่นท่านเหมือนมนุษย์หมดแต่ท่านทําไมไม่ทําบ้านเรือนเหมือนมนุษย์บ้านเรือนของมนุษย์เขาอยู่นะ่ะเขาอยู่แบบเขามีบ้านมีเรือนหลบแดดหลบฝนได้แต่ท่านเลยทาไมมาตากฝนเย็นตัวสั่น ง, งันงกอยู่อย่างนี้ทําไมท่านจึงไม่ทําบ้านเหมือนกับมนุษย์เขา ทางกลิงนี่ก็โมโหขึ้นมาหาว่าเขาดูถูกตนเองใช่ทั้งที่ตัวเองก็หนาวอยู่แล้วเนี่ยมันมาพูดอีกนกเนี่ยก็เลยลิงตัว น, นี้ก็บอกว่าข้าหน้าตาเหมือนมนุษย์ก็จริงอยู่แต่ข้าไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์ข้าขาดปัญญาขาดความอดทนแกจะมาสอนอะไรกับเราเนี่ยเราจะเป็นขยี้เดียวนี่แหละพราะว่าได้ก็กลิงกระโดดเข้าไปจะขยี้นกนกก็ บ, บินออกจากหลงัง เลยก็ยี่ได้ตลังลังแหลกเหลวไปหมดเลยโยนลงจากต้นไม้ใหนี่แหละพระพาาุทธเจ้าท่านบอกว่าสมัยนั้นเน่ยนกขมิ้นเนี่ิคกัดสปะเนี่ยนะลิงตัวนั้นก็คือพระภิกษุเกเรองเนี่ยละ่ะสมัยนั้นก็เป็นลิงเกเรเท่ามาพบในชาตินี้ก็เป็นพระภิกษุเก เ, เาารเผาศาลาของอาจารย์ที่ฉันอาหารนี่แหละจากนั้นไปท่านบอกว่าพระองค์เนี่แต่ตายทําลายขันแล้วก็คือเขาจะลงสู่ เอเวจีมหานรกสร้างบาปกรรมให้ตัวเองแท้ๆแต่ตามไม่จริงขาดความอดทนอาจารย์ก็สอนในทางที่ถูกต้องแต่ตัวเองขาดความอดทนสร้างบาปกรรมให้แก่ตัวเองไม่น่าจะทำอันนี้เราภาลชนภาลชนไม่น่าจะทำความชั่วอย่างนั้นความชั่วจะทำเสเลยดีกว่าเมื่อทำไปแล้วความชั่วนั้นจะให้ผลเกิดต้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือ ถธารมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปียบเทวาพระหานเนี่ยท่านรู้ได้ไหมว่าลูกศิษย์ทาอะไรจังที่ท่านพระมหากตปกฏปรพเภทที่ว่าเตวิโชสละพินโยปฏิสัมพิทัพประตเป็นพระหานิสามจำพวกนั้นคือเป็นผู้มีอิทธิฤทธิู้จักอดีตอนาคตู้จักการดักใจทายใจสแสดงฤทธิ์ได้เหาะเหอเดินฟ้าได้ คือระหลานเตวิโชสละพิญโญปฏิสัมพิทัปโตสามจำพวกแต่พระหลานสุขวิปัสโกเนี่ยรู้แต่ว่าตัวเองได้สําเร็จบดกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วจบไม่มีอีกทีิศนี่แหละพระหลานในครั้งพุทธกาลในทั้งพระทีเจ้าไม่อยู่สี่จำพวกแต่ติดถึงได้จำพวกไหนก็เถอะความบริสุทธิ์หลุดพ้นและเสมอกันพอจุตินิพพานอนุปาทิเสสนิพานและเสมอกัน แต่ขณะยังมีชีวิตอยวอุปาทิเสนิปานยังมีเหลื่อมล้ํากว่ากันพระเหาะเหิเดินฟ้าไ ด, ด้ดําริบินบนได้พระหันสันจําพวกแต่พระหันสุขภิปัชโกนี่รู้ตัวว่าหมดกิเลสแต่พอเข้าสู่นิพพานแล้วเสมอกันทั้งสีจําพวกไม่ได้ใช้ฤทธิ์ใช้เดชเทนิเสมอกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระหันแล้วแปลว่าเสมอกัน